เจราพรท่านผู้มีจิตศรทัทธาใจบุญใจกุศลทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่ส2องกรกฎาคมพุทธศักราช2 5 5พบเป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาปฏิบัติภารกิจของพุทธศาสนิกชนเพื่อประโยชน์สุที่ ดีที่เล่าที่ประเสริฐที่พระบรมศาสดาพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงมอบไว้ให้กับพวกเราทุกคนพวกเราจึงมีศรัทธาความเชื่อมั่นในสิ่งที่พระองค์ทรงสั่งสอนและพยายามปฏิบัติอย่างต่อเนื่องด้วยความวิริยะอุตสาหะภาคเพียร ด้วยความเข้มแข็งอดทนไม่ท้อแท้ต่อความยากลำบากไม่ท้อแท้ต่อกิเลสตัณหาสังต่างที่คอยจามาล้มความตั้งใจที่ดีของเราไปได้ถ้าเรามีความเข้มแข็งความอดทนมีความภาคเพียงอย่างสม่ำเสมอ แล้วอุปสรรคต่างๆนั้นจะไม่เป็นอุปสรรคใดอย่างใดแต่ถ้าเราไม่มีความเข้มแข็งความอดทนไม่มีความภาพเพียรไม่มีความตั้งใจจริงจังต่อพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะไม่สามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆไปได้ เวลาเริ่มต้นเราก็ตั้งใจกันดีอยากจะได้ดีจากการศึกษาจากการปฏิบัติพอเริ่มนําเอาไปปฏิบัติแล้วก็จะพบกับความยากลําบากที่เกิดจากการต่อต้านของกิเลสตัณหาที่มีอยู่ในใจของเราเป็นหลักแล้วก็ความลําบากในการที่จะต้องปรับตัวเองให้อยู่กับสภาพที่ สมถะเรียบง่ายเพราะโดยปกติแล้วใจของพวกเราทุกคนนั้นจะถนัดกับการกับความฟุ่มเฟือยกับการกับของหรูหรากับของที่ถูกอกถูกใจจนติดเป็นนิสัยมาพอต้องมาอยู่แบบสมถะเรียบง่ายอยู่แบบตามมีตามเกิดกินแบบตามมีตามเกิดก็จะรู้สึกลาบาก ความจริงแล้วมันลำบากเพราะเราไม่ถนัดท่านั้นเองการอยู่เรียบง่ายนี้ถ้าถนัดแล้วจะเป็นการอยู่ที่สุขสบายที่สุดยิ่งกว่าการอยู่แบบรูราอยู่แบบฟุ้งเฟยอยู่แบบฟุ้งเฟ้อเห่อเหเพราะจะต้องคอยตะเกียกตะกายหาสิ่งต่างๆมาบำรุงบาเรอกิเลสตัณหาภายในใจไม่รู้จักจบจากสิ้น และจะไม่รู้จักคำว่าพอเมื่อไม่มีคำพอแล้วคำว่าสุขก็จะไม่มีตามมาจะมีแต่ความดิ้นรนทะยธยานพยายามหาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาบำรุงบำเรอกิเลสตัณหาอยู่ตลอดเวลาจนในที่สุดก็จะมีแต่ความทุกข์รุเเราจิตใจเพราะถ้าไปอยู่ใน เหตุการณ์หรืออยู่ในสถานภาพที่ไม่สามารถบำรงบำเรอกิเลสตัณหาได้ก็จะอยู่อย่างทุกข์ทรมานใจทั้งๆ ท, ที่การอยู่อย่างเรียบง่ายอยู่แบบตามมีตามเกิดมักน้อยสันโดษนี้เป็นการอยู่ที่สุขสบายที่สุดเพราะไม่ต้องไปดิ้นรนมากนั่นเองมีอะไรก็พอใจกับสิ่งที่มี ได้อะไรก็ยินดีกับสิ่งที่ได้ถ้าทาอย่างนี้ได้แล้วจะไม่มีปัญหาอะไรเศรษฐกิจจะตกตำเงินทองจะล้อยร้อไม่พอใช้ก็ไม่เดือดร้อนอะไรถ้ามีขันติความอดทนไว้คอยรับกับความทุกข์ยากลำบากต่างๆถ้ามีเงินน้อยก็ใช้น้อยหน่อยกินน้อยหน่อยมันก็อยู่ได้ถ้าไม่มีเลย อยู่ไม่ได้ก็ตายมันก็เป็นเรื่องปกติไม่มีใครอยู่ไปตลอดทุกคนสักวันหนึ่งก็ต้องตายด้วยกันทั้งนั้นดังนั้นเราจะไม่ควรจะกลัวความยากลำบากไม่ควรจะกลัวความตายเพราะมันเป็นเรื่องธรรมดาไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้ไม่มีใครหนีพ้นได้คนที่ไม่กลัวนั่นแหละจะอยู่อย่างสุขอย่างสบายไม่ว่าจะเป็นนู่จะตาย จะรวยหรือจดจนจะไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใดเพราะใจเป็นได้ทุกอย่างให้เป็นคนรวยก็ได้เป็นคนจนก็ได้ให้เป็นคนมีลมหายใจอยู่ก็ได้ให้เป็นคนตายก็ได้เพราะใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจไม่ได้เป็นอะไรกับร่างกายร่างกายเป็นเพียงหุ่นที่ใจเอามาเชิดใจที่ฉลาดแล้วจะปล่อยวางร่างกายได้ จะไม่ยึดติดจะไม่หวังอะไรจากร่างกายร่างกายจะเป็นอะไรก็ดูแลมันไปตามสภาพดูแลได้ก็ดูแลไปดูแลไม่ได้ก็ก็ถือว่าจบมันก็มีเท่านั้นเองไม่มีใครจะดูแลร่างกายนี้ไปได้ตลอดต่อให้มียาวิเศษขนาดไหนหมอวิเศษขนาดไหนก็ตามก็จะไม่สามารถดูแลร่างกายนี้ได้ เป็นถึงพระเจ้าแผ่นดินสักวันหนึ่งก็ต้องตายเหมือนกับขอทานข้างถนนไม่มีความแตกต่างกันในเรื่องความเกิดแก่เจ็บตายของมนุษย์มนาหรือของสัตว์ทั้งหลายเป็นอย่างนี้ด้วยกันทุกคนเพียงแต่ว่าจะอยู่อย่างไรจะตายอย่างไรเท่านั้นถ้าคนฉราดก็อยู่อย่างพระพุทธเจ้าอยู่อย่างพระอระหันต์ตายแบบพระพุทธเจ้าตายแบบพระอระหรันต์ ต่แบบไม่ยึดติดกับร่างกายร่างกายนี้ทรงพิจารณาด้วยปัญญาแล้วว่ามันเป็นเพียงธาตุสีดินน้ำลมไฟเท่านั้นเองมาจากอาหารที่รับประทานเข้าไปอาหารก็มาจากดินจากน้ำจากอากาศจากแสงแดดถ้าไม่มีปัจจัยสี่คือดินน้ำลมไฟแล้วก็จะไม่มีอาหารถ้าไม่มีอาหารก็จะไม่มีร่างกาย ที่ร่างกายมีได้ก็เพราะมีอาหารอาหารมีได้ก็เพราะมีดินน้ำลมไฟดังนั้นร่างกายนี้ก็ไม่ได้เป็นอะไรก็เป็นเพียงดินน้ำลมไฟเพียงแต่เปลี่ยนสภาพมีอาการต่างๆแปลงมาจากดินน้ำลมไฟมาเป็นอาหารจากอาหารก็แปลงมาเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังเป็นเนื้อเป็นเอ็นเป็นกระดูกเป็นอวัยวะต่างๆ แล้วต่อไปมันก็จะกลับกลายไปเป็นดินน้ํำลมไฟคนตายไปแล้วร่างกายก็เย็นไฟก็ออกจากร่างไปหมดน้ําก็ไหลออกมาลมก็ไหลก็ละเหยออกไปหมดเนื้ออยู่แต่ส่วนที่เป็นส่วนที่แข็งไม่นานก็กลายเป็นฝุน่นกลายเป็นขี้เถ้าไปดังนั้นถ้าพิจารณา ร่างกายอยู่อย่างเสมอแล้วจะเห็นว่ามันเป็นเพียงธาตุสี่ดินน้ำลมไฟจะเห็นว่ามันจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดาไม่มีอะไรที่จะมายับยั้งมันได้เป็นประธานาธิบดีก็ยับยั้งมันไม่ได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินก็ยับยั้งมันไม่ได้เป็นขอทานก็ยับยั้งมันไม่ได้เป็นเดรัจฉานก็ยับยั้งมันไม่ได้พรามันเป็นวิถี ตามธรรมชาติของเขาเขามีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเป็นธรรมดาใจผู้ที่มาครอบครองมีสิเป็นตัวที่เป็นปัญหาใจทุกข์ก็เพราะไปหลงยึดติดกับร่างกายคิดว่าเป็นตัวเราของเราแล้วก็อยากให้มันอยู่ไปนานๆไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่แก่แต่มันเป็นสิ่งที่มันขัดกับความจริงถ้าใจไปอยาก กับสิ่งที่ขัดกับความจริงใจก็จะต้องทุกข์ใจจะต้องวุ่นวายเพราะพยายามต่อสู้พยายามหาวิธีต่างๆที่จะยับยั้งของการเป็นไปเหล่านี้แต่ยิ่งพยายามต่อสู้ก็ยิ่งทุกข์มากขึ้นไปใหญ่เหมือนกับขุดหลุมฝังตัวเองให้ลึกลงไปยิ่งขึ้นถ้าไม่ขุดหลุมอยู่ เ, ยเฉยๆก็ไม่ต้องลงไม่ต้องฝังตัวเอง ทำใจให้สบายทำใจให้เป็นกลางไม่ต้องไปยึดเปติดกับร่างกายร่างกายจะเป็นอะไร <c oughs> ก็ปล่อยให้เขาเป็นไปดูแลตามอัตภาพแบบสัมมาเรียบงา่ายมักน้อยสัมดุถ้าอยู่อย่างนี้แล้วใจจะสบายเพราะใจไม่ได้เป็นร่างกายแล้วเรื่องอะไรใจเราต้องไปทุกข์กับร่างกายด้วยร่างกายคนอื่นทำไมเราไม่ทุกข์กับเขาล่ะ คนอื่นที่เขาแก่เขาเจ็บเขาตายเราทำไมไม่รู้สึกอะไรก็ เ, เพราะเราไม่เป็นหลงยึดว่าเป็นของเราเป็นตัวเรานั่นเองถ้าเราไปยึดอะไรมาเป็นตัวเราเป็นของเราแล้วจะเป็นปัญหากับใจเราขึ้นมา ท, ทันทีของชิ้นหนึ่งตอนต้นมันยังไม่ได้เป็นของเราเราก็ไม่ได้มีความรู้สึกอะไรกับมันพอคนก็ให้มาแล้วที่เป็นของเราแล้วทีนี้ก็เริ่มเป็นปัญหาแล้ว ต้องห่วงต้องหวงต้องคอยดูแลรักษาแล้วก็ต้องมาเสีย อ, อกเสียใจเวลาที่มันเป็นอะไรไปหรือเวลาที่มันจากเราไปนี่เป็นเพราะเราอยู่แบบคนโง่อยู่แบบคนมืดบอดอยู่แบบไม่มีปัญญาถ้ามีปัญญาแล้วจะต้องพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างว่าไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราถ้าเราคอยพิจารณาคอยเตือนใจเราอย่างนี้ เราก็จะไม่หลงไปยึดไปติดไปอยากให้เป็นอย่างนั้นให้เป็นอย่างนี้เราก็ดูแลกันไปตามอัตภาพตามความสามารถแต่จะไม่ดูแลเกินขอบเขตจนถึงไปทำสิ่งที่เสียหายเช่นไปทำผิดศีลผิดธรรมแม้แต่ชีวิตนี้พระพุทธเจ้าก็ทรงสอนว่าให้สละเพื่อรักษาธรรมรักษาศีลธรรม อย่าไปฆ่าผู้อื่นเพื่อป้องกันชีวิตของเราอย่าไปฆ่าผู้อื่นเพื่อเอาเขามาเป็นอาหารถ้าถึงเวลาที่เราจะต้องอดตายท่านว่าให้ตายดีกว่าที่จะไปฆ่าแล้วอยู่เพราะฆ่าแล้วอยู่นั้นจิตใจตก ต, กต่ำจิตใจไม่ได้สูงขึ้นจิตใจก็จะเป็นเดรัจฉานจิตใจก็จะเป็นเปรกจิตใจก็จะตกนรกได้ เพราะการทำบาปทำกรรมแต่ถ้าจิตใจไม่ไปฆ่าเพื่ออยู่แล้วยอมตายใจก็จะสูงใจก็จะเป็นเทพเป็นพรหมเป็นมนุษย์เป็นพระอริยเจา้าใจนี่แหละเป็นตัวที่เวียนว่ายตายเกิดใจที่ทุกข์ก็คือใจร่างกายนี้มันไม่มีความรู้สึกรับรู้อะไร เวลาคนตายไปแล้วเอาไฟไปเผามันก็ไม่รู้สึกอะไรผู้ที่รู้ก็คือใจถ้าตราบใดใจยังอยู่กับร่างกายอยู่เวลาร่างกายเป็นอะไรก็จะรับรู้ถึงความเป็นไปของร่างกายแต่ไม่จำเป็นจะต้องทุกข์ไปกับสิ่งที่เป็นของร่างกายเพียงแต่รับรู้ว่ามันเจ็บก็พอแล้วเจ็บก็เจ็บไปแต่ใจไม่ต้องไปทุกข์ไปกับมัน ไม่ต้องไปกลัวความเจ็บไม่ต้องกลัวว่ามันจะทำให้ร่างกายนี้ตายไปเพราะกลัวอย่างไรเมื่อถึงเวลามันจะตายมันก็ตายอยู่ดีกลัวเจ็บอย่างไรเวลามันเจ็บมันก็เจ็บอยู่ดีความกลัวนี้ไม่สามารถไปห้ามความเจ็บไปห้ามความตายได้แต่ความกลัวนี้จะสร้างความทุกข์ทรมานให้กับจิตใจถ้าไม่กลัวแล้ว จะมีแต่ความสบายใจจะมีแต่ความสุขใจไม่เดือดร้อนกับการเจ็บของร่างกายกับการตายของร่างกายหน้าที่ของเราพระพุทธเจ้าทรงสงสอนให้สอนใจให้ให้บังเพนธรรมะที่จะมาควบคุมจิตใจให้เป็นปกติไม่กระสับกระส่ายไม่ว้าวุ่นขุ่นมัว ไม่ทุกขไม่วุ่นวายกับสิ่งต่างๆถ้ามีธรรมะแล้วใจจะอยู่เย็นเป็นสุขใจจะปล่อยวางใจจะไม่เดือดร้อนกับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกนี้เพราะมันเป็นธรรมดาของโลกนี้ที่ไม่อยู่นิ่งเฉยมีการหมุ น, มนเวียนเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา โลกมันก็ไม่อยู่นิ่งโลกมันก็หมุนไปอากาศมันก็แปรปลีนตามการหมุนเวียนของโลกแล้วมันก็ไปกระทบกับต้นไม้ใบหญ้ากระทบกับสิ่งต่างๆมันก็ถึงมีการเกิดมีการดับอยู่อย่างนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วตั้งแต่ก่อนที่มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้และจะมีอย่างนี้ไปเรื่อยๆ เพราะมันเป็นธรรมชาติของโลกนี้มันจะเป็นอย่างนี้แล้วสักวันหนึ่งโลกนี้มันก็จะหยุดทํางานเพราะมันก็จะไหวหมุนไปตลอดมันจะไม่เป็นอย่างนี้ไปตลอดสักวันหนึ่งมันก็จะอยู่ไม่ได้มนุษย์ที่อยู่ในโลกนี้ก็ต้องตายไปกับโลกนี้หรือดวงอาทิตย์เกิดหยุดเกิดดับเสียก่อนโลกนี้ก็ไม่มีความร้อนก็ไม่สามารถอยู่กันได้ ก็ต้องตายกันไปหมดแต่ตายแต่ร่างกายเท่านั้นเองใจนี้ไม่มีอะไรทำลายมันได้ <c oughs> เพราะใจไม่ได้เป็นรูปธรรมใจไม่ได้เป็นวัตถุใจเป็นนามธรรมาใจเป็นสิ่งที่ไม่เกิดไม่ไดับมีแต่จะสุขหรือจะทุกข์เท่านั้นเองถ้ามีธรรมะก็จะสุขถ้ามีกิเลสก็จะทุกข์ดังนั้นการที่เรา บำเพ็ญตามพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป้าหมายก็คือสร้างธรรมะให้เกิดขึ้นละกิเลสให้หมดไปนั่นเองไม่ได้มีเป้าหมายอย่างใดเลยไม่ได้ต้องการวัตถุเข้าของเงินทองต่างๆเป็นผลตอบแทนแต่อย่างใดไม่ได้ต้องการลาบยศเสริญสุขจากสิ่งต่างๆในโลกนี้ เพราะสิ่งต่างๆในโลกนี้มันเป็นของแสลงกับจิตใจมันเป็นพิษเป็นภัยกับจิตใจมันไม่ได้เป็นคุณมันไม่ได้ทําให้จิตใจสงบเย็นเป็นสุดแต่กลับจะทำให้ว้าวุ่นขุ่นมัวยิ่งมีมากเท่าไหร่ก็ต้องยิ่งวุ่นวายมากขึ้นไปเท่านั้นแต่เนื่องจากใจนี้ไม่ได้มีความฉลาดไม่รู้จักแยกแยะ ว่าอะไรเป็นคุณกับใจอะไรเป็นโทษกับใจถูกความหลงมันครอบงาหลอกให้เห็นกับตาลปัดให้เห็นโกงจากเป็นดอกบัวให้เห็นราบยศสารแสญสุขว่าเป็นความสิ่งที่เป็นความสุขเป็นสิ่งที่น่าไขว้คว้าเอามาเป็นสมบัติกลับเห็นว่าธรรมะบุญกุศลนี้เป็นสิ่งที่ไร้สาระไร้คุณค่า จึงวิ่งเข้าหาแต่ความทุกข์วิ่งเข้าหาสิ่งที่ตนเองคิดว่าเป็นความสุขความหลงคืออะไรความหลงก็คือเห็นความความไม่ไม่ตรงกับความจริงนั่นเองเห็นความทุกข์ว่าเป็นความสุขไม่รู้ว่าราบยศเสริญสุดนี้เป็นความทุกข์ก็วิ่งเข้าหาพอเข้าหาแล้วก็ต้องทุกข์กับราบยศเสริญสุด คนฉลาดอย่างพระพุทธเจ้าพระอาหารหันต์นี้ท่านเห็นว่ามันเป็นทุกข์ท่านจึงมวิ่งหนีมันไม่เข้าหามันมีลาบมียศก็สลับมันเป็นกษัตริย์เป็นราชกุมารก็สลัสมบัติราชกุมารมีลูกมีภรรยาก็สลัลูกสลัภรรยาเพราะเห็นว่ามันเป็นกล่องทุกข์มันไม่ได้เป็นความสุขออกบวชอยู่แบบเรียบง่าย ไม่เบียดเบียนแล้วก็บำเพ็ญสมณธรรมเพื่อกำลาบโลกโกรธหนงที่มีอยู่ในใจให้มันเบาบางลงไปและหมดไปในที่สุดเมื่อหมดแล้วก็ไม่มีอะไรจะแสนจะสบายเท่ากับจิตที่บริสุทธิ์ปรมังสุขขังคือจิตที่บริสุทธิ์อยู่กับจิตที่บริสุทธิ์นี้ท่านนั้นไม่ได้อยู่กับที่ไหน นิบบานังปรามังสุ ข, ขังวะบรมสุขคือความสุขที่ถาวรไม่มีการเสือ่อมไม่มีความทุกข์เจือปนอยู่มีอยู่ในใจของเราแล้วเพียงแต่รอให้เราเอากิเลสออกไปเท่านั้นเองกิเลสเป็นตัวสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจสร้างความเศร้าซ้อยน้อยงเหงาสร้างความว้าเห ว, วเปล่าเปลียวเราต้องแก้ที่ใจอย่าไป แก่ข้างนอกไม่ใช่เวลาเราว้าเหวเราก็ออกไปหาสิ่งนั้นสิ่งนี้ทำหาคนนั้นคนนี้มาเป็นเพื่อนอย่างนี้ไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาเพราะปัญหามันไม่ได้อยู่ตรงที่ไม่มีเพื่อนแต่ปัญหามันอยู่ที่ความว้าเหวซึ่งถูกสร้างขึ้นมาจากกิเลสเราต้องดับกิเลสถ้าดับกิเลสแล้วความว้าเหวก็จะหายไป จะดับกิเลสได้อย่างไร<ม>ก็ต้องทำจิตให้ไม่ให้สงบไม่ให้คิดเรื่องอะไร<ม>เพราะความคิดนี่แหละเป็นเครื่องมือของกิเลสพอคิดแล้วก็สร้างความว้าเหวขึ้นมาเออเราอยู่คนเดียวเราไม่มีคุณค่าเลยไม่มีใครมาเหลียวแลเราเลยไม่มีใครสงสารเราเลยมีคิดอย่างนี้ยิ่งทำลายตัวเองยิ่งสร้างความทุกข์ให้เกิดขึ้นมากขึ้น ถ้าเริ่มคิดอย่างนี้แล้วถ้ามีสติก็ต้องรีบสวดมนต์ไปทําสมาธิเปลี่ยนความคิดอย่าให้มันคิดเอามาสวดมนต์แทนสวดอะระหังสามมาสวดไปเรื่อยๆหรือพุโทโธพุธโทโธไปเรื่อยๆอย่าปล่อยให้มันคิดถึงความว้าเหวความน้อยเนื้อต่ําใจต่างๆเพราะมันจะทิ้งทําให้เศร้าโศกเสียใจยิ่งว้าเหวมากขึ้นจนจะทนอยู่ไม่ได้ มงคนถึงกับต้องทำลายชีวิตของตนเองเพราะคิดว่าเมื่อทำลายแล้วปัญหาจะหมดไปแต่ความจริงร่างกายมันไม่ได้เป็นตัวปัญหาปัญหามันอยู่ที่ใจความว้าเหวมันอยู่ที่ใจกิเลสมันอยู่ที่ใจต่อให้ไปฆ่าตัวตายอีกห0 0ร้อชาติมันก็ไม่แก้ปัญหามันก็จะไปฆ่าตัวตายอยู่เรื่อยๆเ่าไปเกิดที่ไร เจอความทุกข์ทีไรไม่รู้จักวิธีแก้ที่แท้จริงก็จะไปแก้ที่ร่างกายคิดว่าฆ่าตัวตายแล้วความทุกข์มันก็จะหมดไปมันก็ยังไม่หมดเพราะต้นเหตุของความทุกข์คือกิเลสมันก็ยังอยู่ในใจพอไปเกิดใหม่ไปเจอปัญหาใหม่เจอความว้าเหวใหม่เจอความเศร้าส้อยหงอยเหงาใหม่ก็จะฆ่าตัวตายจนติดเป็นนิสัยไปวิธีที่จะแก้ก็คือต้อง ตั้งสติอยู่เรื่อยๆคอยดูใจดูว่ามันกำลังคิดอะไรมันกำลังสร้างความว้าเหวให้กับเราหรือเปล่าถ้ามันเริ่มแล้วอย่าปล่อยให้มันคิดควรจะรีบสวดบนไปควรจะพุโทโธพุโทโธไปหรือทางที่ดีควรจะสวดไปทั้งวันเลยพุโทโธไปทั้งวันเลยอย่าปล่อยให้มันมีโอกาสได้ไปคิดถึงเรื่องความเศร้าส้อยหงอยเหงาต่างๆ ถ้ามันไม่มีโอกาสคิดแล้วมันจะไม่รู้สึกเศร้าสร้อยเหม่เหงามันจะรู้สึกเพลิดเพลินไปกับการสวดมนต์เพลิดเพลินไปกับพุทธโธและจะมีความสุขและยิ่งถ้ามันสงบหยุดหยุดคิดได้หยุดสวดได้หยุดพุทธโธได้อยู่เฉยๆได้มันจะยิ่งมีความสุขใหญ่นี่เป็นสิ่งที่เราทําได้กับใจของเราเพราะพระพุทธเจ้าก็ได้ทํามาแล้ว พระอรหันตสาวกทั้งหลายก็ได้ทงมาแล้วท่านเหล่านี้ไม่ใช่เป็นคนโง่ท่านเป็นเศรษฐีท่านเป็นมหากษัตริย์ท่านเป็นคนมีความรู้สูงสูงที่ออกบวดกันไม่ใช่เป็นคนโง่เขาเบาปัญญาอย่างที่เราคิดกันท่านเป็นคนฉลาดถ้าท่านจะเจริญทางโลกนี้ท่านจะเป็นมหาจักรพรรดิก็เป็นได้จะเป็นประธานาธิบดีก็เป็นได้จะเป็นอะไรก็เป็นได้ เพราะคนเหล่านี้เขาเป็นระดับหัวกะทิเขาเป็นคนมีสติปัญญาที่เขาทําให้เขาบวชได้ออกบวชได้เพราะพราะก็เห็นว่าโลกนี้มันไม่มีอะไรที่ดีนั่นเองมีแต่ความทุกข์ทั้งนั้นพวกเราต่างหากที่เป็นพวกคนโง่ที่ไม่เห็นความทุกข์ที่มีอยู่ในโลกนี้เรายังยึดติดกับสิ่งนั้นสิ่งนี้ยังอยากจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่ เพราะความโง่ของเราไม่ใช่ความฉลาดถ้าฉลาดแล้วจะเบื่อนายชีวิตในทางโลกจะไม่อยากได้อะไรจะไม่อยากจะเป็นอะไรเพราะรู้ว่าได้อะไรก็ต้องทุกกับสิ่งที่ได้มาเป็นอะไรก็ต้องทุกกับสิ่งที่เป็นเป็นแล้วก็ต้องนักษาสถานภาพไว้พอเป็นใหญ่แล้วก็เล็กไม่ได้พอขึ้นหลังเสือแล้วก็ลงไม่ได้เป็นนายกแล้วก็ เกาะติดเก้าอี้ยิ่งกว่ากาวตาช้างสิต่อให้ใครขับไล่อย่างไรด่ายอย่างไรก็ไม่สนใจหูหนวกตาบอดนี่คืออำนาจของความหลง ม, มันไม่ได้เป็นความเก่งกาจอะไรหรอกถ้าจะเป็นความเก่งกาจมันก็เป็นความเก่งกาจของกิเลส ข, ของความโลภความโกรธความหลงที่มันหลอกให้ใจทุกทรมายกับการยึดติดอยู่กับสถานภาพอย่างนั้นแทนที่จะปล่อยให้เป็นไปตามความจรงิง ก็ต้องมากินไม่ได้นอนไม่หลับคนพวกนี้ไม่มีความสุขนะอย่าไปคิดว่าเขามีความสุขจิตใจเขาวุ่นวายอยู่ตลอดเวลามองไปรอบข้างก็มีแต่ความหวาดระแวงไม่รู้ว่าใครถือมีดอยู่ข้างหลังจะคอยทิ่มคอยแทงเขางบื่อไก็ไม่รู้เพราะพวกกิเลสด้วยกันก็เป็นอย่างนี้ต้องแก่งแย่งชิงดีกันใครเผลอไม่ได้ เธอเมื่อไหรก็เป็นต้องโดนแน่ๆนี่แหละเรื่องของทางโลกมันเป็นอย่างนี้มีแต่ภัยรอบตัวมีแต่ความทุกข์รอบตัวอย่าไปคิดว่ามีความสุขเวลามีตำแหน่งสูงๆอย่าไปคิดว่าเป็นสิ่งที่เป็นเกียรติมีเกียรติตำแหน่งนี้ไม่ได้เป็นเครื่องรับปรกิการความเกียรติยศของคน สิ่งที่รับประกรันเกียรติยศของคนก็คือคุณธรรมในใจต่างหากว่ามีศีลหรือเปล่าว่ามีความเมตตากรุณาหรือเปล่าว่ามีความเสียสละหรือเปล่าว่ามีความกตัญูหรือเปล่านี่ต่างหากที่เป็นเครื่องวัดเกียรติยศของคนไม่ได้อยู่ที่ตำแหน่งไม่ได้อยู่ที่ปริญญาความรู้ต่างๆทางโลกนี้ เพราะไม่สามารถไปดับความชั่วที่มีอยู่ภายในใจได้นั่นเองต่อให้เป็นนายกก็ดับความชื่วในใจไม่ได้เป็นกษักใใกตริย์ก็ดับความชั่วในใจไม่ได้เป็นเป็นด็อกเตอร์เป็นบัณฑิตระดับปริญญาเองก็ดับความชั่วในใจไม่ได้จึงมีด็อกเตอร์ไปติดทุกติดตารางกันอยู่เรื่อยมีมีกษัตริย์ถูกเค้าฆ่าอยู่เรื่อยๆ เพราะว่ามีความชั่วอยู่ในใจของตอนนั้นเองเมื่อไปสร้างบาสร้างกรรมแล้วมันก็ต้องรับใช้บาปใช้กรรมต่อไปเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ทําบาปแล้วอย่าไปหวังลบล้างมันบาปนี้ล้างไม่ได้ลบไม่ได้ทำบุญไปเท่าไหร่ก็ไม่สามารถล้างบาปได้แม้เป็นถึงพระพุทธเจ้าก็ยังล้างบาล้างเวรไม่ได้ยังมีเวรมาตามลังควานอยู่ เพียงแต่ว่าถ้ามีทำบุญจนกระทั่งจิตใจมีปัญญาแล้วจิตใจจะไม่หวั่นไหวกับเวรกรรมต่างๆที่จะตามมาเช่นพระพุทธเจ้าถูกคนปองร้ายถูกคนส่งจะมาฆ่าแต่ท่านก็ไม่หวั่นไหวท่านกลับใช้ปัญญาสอนคนที่จะมาฆ่าให้เห็นโทษของการฆ่าจึงทำให้คนที่จะมาฆ่าพราะองค์นั้นเปลี่ยน เปลี่ยนใจไปฆ่าไม่ลงเพราะสงสอนถึงโทษของการฆ่าผู้อื่นว่ามันไม่คุ้มค่ากับรางวัลที่เราได้เขาจ้างเรามาเงินหมืน่นเงินแสนแต่เราไปฆ่าเขาแล้วเราจะต้องตกนรกหมกมา่านทรมานยิ่งกว่าเป็นขอทานข้างถนนอีกหลายร้อยเท่าถ้าถ้าเขาเห็นอย่างนี้แล้วเรื่องอะไรเขาจะไปเอากับเงินหมืน่นเงินแสนแล้วต้องมากลายเป็น ขอทานข้างถนนทุกทรมานยิ่งกว่าเกาะยิ่งกว่าเก่าเสียอีกนี่คือปัญญาที่จะสามารถป้องกันเวงกลับได้ไม่ให้มาแต่ต้องร่างกะจิตใจได้แต่ร่างกายนี้อาจจะป้องกันไม่ได้เพราะพระเทพบทก็กลิ้งก้อนหินลงมาจนกระทั่งทำให้พระบาทของพระพุทธเจ้าห่อเลือด แต่พระ อ, องค์กับใช้อุเบกขาใช้ทำใจให้เป็นกลางเป็นไม่ไม่รู้สึกหวั่นไหวไม่รู้สึกตื่นเต้นหวาดกลัวกับการเกิดขึ้นเกิดแล้วก็ผ่านไปแล้วก็จบไม่ได้ไปตามร้านตามขวาไม่ได้ส่งให้คนไปหาว่าใครเป็นคนกิ่งก้อนเห็นลงมาเพื่อมาทำร้ายเรากับรู้สึกเฉยเฉยรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องปกติ เป็นผลของกรรมที่เคยทำมาในอดีตหรือจะส่งช้างมาจะมาให้เหยียบพระ อ, องค์พระ อ, องค์ก็กลับแผ่เบตตาช้างก็ทำอะไรไม่ลงนี่คือคุณธรรมหรือบุญกุศลที่จะเป็นอาวุธป้องกันภัยได้ดียิ่งกว่าปืนผาหน้าไม้ต่างๆมีปืนผาหน้าไม้เราอย่าไปคิดว่าจะรอดคนที่พกปืนนี้ตายกันก็เยอะ เพราะว่าไม่ถ้าไม่มีความดีแล้วไปทำความชั่วแล้วไปทำบาป ท, ทำกรรมแล้วตัวนั้นแหละที่จะเป็นภัยกับตนเองเพราะจะทำให้คนอื่นเขาต้องมาทำเราแต่ถ้าเราไม่ทำผู้อื่นไม่เบียดเบียนผู้อื่นมีแต่สงฆ์มีแต่ช่วยเหลือผู้อื่นมีใครเขาอยากจะมาทำเราเราอยากไปทำร้ายคนที่เขาดีกับเราไหมเราลองคิดดูไม่มีใครอยากจะทำร้ายคนที่ดีกับเราหรอก มีแต่อยากจะทำร้ายกับคนที่เข้าร้ายกับเราเท่านั้นเองดังนั้นขอให้เราจงเห็นความสำคัญต่อการบำเพ็ญบุญกุศลบำเพ็ญคุณธรรมต่างๆที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนให้บำเพ็ญที่ได้ทรงสอนด้วยการทำตนเองเป็นตัวอย่างทานก็ทรงสละอย่างหมดสิ้นจาทะก็เสียสละทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ ไม่เอาอะไรไปเลยศีลก็รักษาอย่างดีสมาธิการทำจิตใจให้สงบก็ทำอยู่อย่างต่อเนื่องจเจริญสติอยู่ตลอดเวลาปัญญาก็พิจารณาอยู่เรื่อยๆถึงความไม่เที่ยงถึงความทุกข์ถึงความไม่มีตัวตนของสิ่งต่างๆในโลกนี้จนในที่สุดใจก็หลุดพ้นจากความยึดติดหยุดพ้นจากความหลง หลุดพ้นจากความโลภความโกรธหลุดพ้นจากเวรจากภัยต่างๆนี่แหละคือวิธีที่เราจะร้างบาตต้องร้างด้วยการสร้างบุงสร้างกุศลแต่เราลักระงับเวรกรรมที่เราได้สร้างไว้ไม่ได้เพียงแต่เราจะหนีมันได้ถ้าเราไปถึงพระนิพพานแล้วมันก็ไม่สามารถตามเราไปได้เพราะเราไม่เกิดอีกแล้ว เมื่อเราไม่เกิดมันก็ไม่มีอะไรที่จะไปรังควานได้แต่ถ้ามาเกิดเมื่อไหรต่อให้เกิดเป็นกษัตริย์มันก็ยังตามมารังควานได้เกิดเป็นประธานาธิบดีมันก็ตามมารังควานได้เกิดเป็นพระพุทธเจ้าก็ตามมาได้แต่ถ้าไม่เกิดแล้วมันก็จะไม่มีอะไรตามมาได้ต่อไปจึงขอให้เรามีความมั่นใจแน่วแนะ่มั่นคงกับศรัทธาความเชื่อ ในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าขอให้เรานำไปปฏิบัติอย่างสม่ำเสมออย่าเสียดายอะไรต่างๆในโลกนี้เพราะสักวันหนึ่งเราก็ต้องทิ้งมันไปหมดถ้าเราทิ้งมันเสียตั้งแต่วันนี้เราจะมีของดีติดตัวไปแต่ถ้าเราทิ้งมันตอนที่เราตายไปเราจะไม่มีอะไรติดตัวไปเราจะไปแบบขอทานจึงขอฝากเรื่องของการบำเพ็ญ ปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยศรัทธาที่แน่วแน่มั่นคงด้วยวิริยะความภาคเพียรด้วยความขันติเข้มแข็งอดทนนี้ให้ท่านได้ไดนำไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรใจเวลา จึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศีรัตนตรัยมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงปกป้องคุ้มครองรักษาให้ท่านทั้งหลายแค้วแกร่งปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้ากันเธอ